พิสูจนั้นก็ไม่ไม่พูดอ้อมค้อมไม่บางคนเนี่ยนะไม่มีแต่แหมเลี่ยงไปเบี่ยงไปยักย้ายอยู่นั่นแหละเล่เหลี่ยมชั้นเชิงมากเือเกินท่านไม่มีชั้นเชิงอะไรบอกตรงๆบอกโลกุตรธรรมของอาตมาไม่มีหรอก็ยังไม่ได้บรรลุอะไรสักอย่างมั้งอ้าวถ้าไม่บรรลุแล้วตอนก่อนท่านก็ได้พูดไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าผ้าเนี่ยจะตกถึงแก่ท่านนั้นรู้ได้ยังไงพระภิสูจก็ตอบว่าจริงอาตมาภาพบำเพ็ญสารานิยธรรม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 มันก็มีนะบางคนที่นักฉลาด ก, ก็จับแต่ฉลากได้จริงๆเลยกเรียกว่ามีดวงทางนี้เหมือนกันเนะ่ยถ้าประเภทเสียงทายกันเมื่อไหร่ได้ดีนะแต่ถ้าธรรมดาทั่วไปนะแห้งแรงอ่าบางคนก็มีมีก็เรียกว่ามีบุญวาสนาในประเภทแบบประเภทอย่างเงี้ยพระราชาก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยบำเพำ็ญสารานิยธรรมเนี่ยนะท่านก็มีเมตตากายกรรมประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้ารับหลังเมตตาวจีกรรม ประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังเมตตามนโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่สาธารณโภคีปัจใจสีไม่เคยตรหนีในหมู่สะพรามารีเลยมันทําอย่างเงี้ยติดกันมาสิบสองปีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็สมควรแล้วเนี่ยนะทำบุญติดติตดกันมาสิบสองปีนี่ก็น่าจะสบายได้แล้วว่างั้นจริงถ้าใครทนสมมุติว่าถ้าเราทนทําบุญเท่ากับทํางานเนี่ยนะวันละวันละแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงให้มันจิตเป็นบุญนะ ให้มันติดติดติติติดกันเนี่ยนะสักสิบยี่สิบปีเนี่ยอผลบุญจะเป็นยังไงนะทำให้มันเท่าให้มันเท่าทํางานเอะเนี่ยนะทำงานเ น, นี่ยเอาเอาจรงาจิงเอาจังเอาเป็นการเป็นงานเท่าใดเนี่ยให้เจตนา <c oughs> คิดจะเป็นบุญคิดให้มันอยู่กับบุญเนี่ยให้มันยาวเท่านั้นนะถ้าทําได้บ่อยได้ไดมากขนาดนั้นวันละแปดชั่วโมงก็ยังดีเนี่ยนะโอทด้วยก็ได้วันละสิบสองชั่วโมงก็ว่าไปแล้วก็ทํางี้สักสิบยี่สิบปีเนี่ยถ้าบุญไม่ให้ผลเนี่ยให้มาคุยกันมาคุยกันใหม่เห็นไหม แต่ว่าแต่แต่ต้องทําให้มันถูกหลักก่อนนะถ้าทําผิดหลักแล้วช่วยไม่ได้ไปนั่งมาวาโอ้เนี่ยเขานั่งอะไรนะเจริญทําบุญมานานทํานั่งสมาธิมาเยอะมากพอคุณนั่งสมาธิหรือนั่งสับประกมันต้องแบ่งกันนะนั่งสมาธิก็อย่างหนึ่งนั่งสับประ ก, ก็อย่างหนึ่งนั่งฟุ้งซ่านก็อย่างหนึ่งแล้วอยู่กับกรรมฐานจริงๆอ่ะนั่งสิบชั่วโมงจะอยู่กับกรรมฐานกี่นาทีก็ว่ากันไปตามนั้นอ่ะมัน้นโดยระยะเวลาสิบปีก็จริงแต่อยู่กับกรรมฐานแค่สองวันอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่พออ่ะยังห่างอย่างเง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 มีภัยร้ายแรงอ่ะนะมีโจรเป็นต้นจะมาปล้นก็เลยหนีกันไปหมดเวลาใกล้รุง่งเพ็กพระเทรีก็พูดกับภิกษุณีสาวว่าหมู่บ้านนี้ช่างเงียบเหลือเกินไปดูทีซิภิกษุณีสาวเหล่านั้นก็ไปตรวจดูก็รู้ว่าชาวบ้านนี้อพยพกันไปหมดแล้วไม่บอกพระเลยนะก็เลยมาบอกแกพระเถรีพระเถ ร, ร, รีนั้นฟังแล้วก็กล่าวว่าพวกท่านอย่าคิดว่าชาวบ้านเหล่านั้นอพยพไปเลยไม่ต้องไปหนักใจไม่ต้องไปกังวลใจเรื่องเขาอพยพไปหรอก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 บินทบากกับคนไม่ได้บินทบาทกับเทวดาก็ได้เทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้ก็ถวายบินทบาทแก่ภิกษุณีสิบสองรูปแล้วก็กล่าวว่าพระเมเจ้าอย่าไปที่อื่นเลยโปรดอยู่ที่นี้เป็นนิเทินพระเทรีรูปนี้มีน้องชายอยู่ท่านหนึ่งชื่อว่าพระนาคเทระเนี่ยนะพระเทระคิดว่านี่บัดเนี้ยมีภัยใหญ่ถึงเราเราไม่อาจจะอยู่ในที่นี้ได้จกไปฝั่งโน้นตัวเองก็มีภิกษุไปด้วยทั้งสิบสองรูป ออกจากสถานที่อยู่ของตนมายังพาระตะคามด้วยหม้ใจจะพบพระเทรีแล้วก็จากไปก็ไปเยี่ยมดูพี่สาวหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างพระเทรีก็ทราบว่าพระเถระน้องชายมาก็ไปนางสำนักของพระเถระถามว่าอะไรการพระผู้เป็นเจ้าไปยังไงมายังไงพระเถระก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพระเทรีก็บอกว่าวันนี้พวกท่านจงอยู่ในวัดนี้เสียวันหนึ่งพรุ่งนี้ค่อยไปนะพระถระทั้งหลายก็ไปยังที่พัก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 คือแปลว่าอะไรเนี่ยนะเดี๋ยววันหลังพอัยสงบมีการแสดงธรรมมีการฟังธรรมเดี๋ยวอาจะเดี๋ยวข้าพเจ้าก็ต้องเทศแสดงธรรมบรรยายธรรมก็จะสอนเรื่องอะไรเรื่องอริยวงวงของผ้าเรือเจ้าผู้สันโดดด้วยปัจจัยสีเดี๋ยวพวกท่านนเนบข้าพเจ้าแม่นั่นก็มาเตือนว่านี่ท่านผููถือบินดาปาติกะสุดงพวกท่านโปรชันอาหารของพิษุนีเห็นปานี้อยู่เรื่อยไปเถิดบอกนี่มลไม่ต้องไปไหนหรอกฉันแต่อาหารพิสุนีเถอะ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 การให้ทานเนี่ยนะแม้แต่พระพิสุท์ั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรณีว่าอย่าให้ทานเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนสารานิยธรรมก็คือให้วัตถุปัจจัยที่มีอยู่ให้เป็นสาธารณโภคีนะแต่ก็ไม่ได้มาเรียอะไรแล้วมาหงษ์ต้มช่วยกันไม่ใช่ลักษณะนั้นแต่หมายความว่าไปบิณฑบาตได้ปัจจัยสี่มาก็รู้จักให้รู้จักเฉลี่ยรู้จักแบ่งปันแบ่งทํำบุญบ้างนะส่วนสารานิยธรรมข้อที่ห้า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 แต่ถ้าสิกขาบทใดขาดตรงกลางานะหมายความว่ามีเจ็ดข้อใช่ไหมเขาเรียกว่าตรงกลางเนี่ยถ้าขาดข้อสีพอดีนี่เรียกว่าศินทลุเหมือนกับผ้าทลุผ้าทะลุกลางผืนถ้าศีนห้าก็ขาดก็สามนี่เรียกว่าศีลทะลุถ้าขาดข้อหนึ่งขาดข้อห้าเรียกว่าศินขาดถ้าทลุถ้าตรงกลางเรียกว่าศีลทะลุแต่ถ้าขาดสับวางขาดสองสามสิกขาบทตามลําดับนี่ชื่อว่าศีลด่างเหมือนแม่โคดังสลับสีเนี่ยนะ ถ้าสิกขาบทของพิสูจน์ใดาขาดในระหว่างขาดเราคือระหว่าขาดสับวางนะพวกนี้เรียกว่าพร้อยเหมือนโคมีจุดต่างๆถ้าภิสูุใดมีศิกขาบทไม่ขาดเลยศีลของพิสูจนนั้นชื่อว่าไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์และบริบูรณ์ศีลนั้นนั้นชื่อว่าเป็นไทยเพราะว่าไม่ได้ตกเป็นทาสของตันหาแล้วก็เป็นไทยเพราะวินยูชนวินยูชนมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสรรเสริญแล้ว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 แม้เดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าเรานะว่าท่านเคยมีแผลเป็นท่านเคยผิดท่านเคยพลาดมาแลว้วคนก็จะไม่พูดกันอย่างนี้และศีลเหล่านี้เรียกว่าเป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยนะศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยศีลเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่ออุปจาระสมาธิเป็นไปเพื่ออปปนาสมาธิบทว่าศีลสามัญยคตาวิหริสตินะนะจะมีศีลเสมอกับพิสุที่อยู่ในทิศทิศภาภานั้นๆ หมายความว่าเสมอเหมือนกันกับผู้มีศินในทุกทิศทิศใดที่มีผู้มีศินก็เสมอกันกับทิศเหล่าผู้มีศินในทุกทิศ ย, ยกตัวอย่างระดับสูงก็คือสินของพระโสดาบันก็เสมอกับสินของพระโสดาบัน